พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สี่สิบจุลอัสฐปุระสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิคมชื่ออัฏฐปุระสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิคมชื่ออัสฐปุระแคว้นอังสะตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเนียกในเรื่องชื่อและคำปฏิ ญ, ญาว่าเป็นสมณะเหมือนสูตรก่อน แต่แสดงข้อปฏิบัติต่างออกไปว่าพึงสำเนียกว่าจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะทรงไขความว่าตราบใดยังละมวลินของสมณะส2องอย่างไม่ได้พระองค์ก็ไม่ตรัสว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะมวลินของสมณะ12บสองอย่างคือหนึ่งอภิชาเพ่งอยากได้ สองพยาบาทปองร้ายสามโกรธสี่ผูกโกรธห้าลบหลูบุญคุณท่านหตีเสมอเจ็ดริษยา 8. ปดตรณีเกมักอวดสิบมายาสิบเอ็ดปราถนาลาโมกสิบสอง เห็นผิดทรงเปรียบการบวชของภิกษุนี้ผู้ละมวลถินของสมณะไม่ได้ว่าเป็นเช่นเดียวกับเอาหลอกใส่อาวุธชื่ออมตะชะมีคมสองข้างไว้คือซ่อนความคมไว้ข้างในเท่ากับซ่อนมวลถินไว้ข้างในทรงแสดงว่าไม่ตรัสถึงความเป็นสมณะด้วยเหตุสักว่าการทรงผ้าสังคติหรือเพียงการเปลือยกาย เพียงเอาฝุ่นทาตัวเพียงลงอาบน้ําเพียงอยู่โคนไม้เพียงอยู่กลางแจ้งเพียงยืนหงายหน้าเพียงกินอาหารโดยกําหนดเวียนรอบคือหนึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนกินครั้งหนึ่งเพียงสาธยายมนเพียงทรงชดาแบบฤาษีทั้งหมดนี้เป็นลัทธิของสมณะภายนอกพระพุทธศาสนาซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพียงเท่านั้น ยังไม่ตรัสว่าเป็นสมณะตรัสว่าถ้าเพียงส่งผ้าสังขติคือผ้าซ้อนเป็นต้นจะทําให้บุคคลผู้มีมนทินละมนทินทั้งสิบสองอย่างนั้นได้ญาติมิตรก็จะพากันชักชวนให้ส่งผ้าสังขติเป็นต้นด้วยเข้าใจว่าจะทําให้ละมนทินได้แต่เพราะทรงเห็นผู้ทรงผ้าสังขติเป็นต้นยังมีมนทินเหล่านั้น จึงเมตตัดถึงความเป็นสมณะเพียงทรง้าสังคาติเป็นต้นทรงแสดงถึงภิกษุผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบของสมณะคือละมนทินทั้งสิบสองอย่างได้พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นจากอากุศลบาปรมทั้งหลายจึงเกิดปราโมทปีติมีกายระงับสวยสุขมีจิตตั้งมั่น แผ่จิตอันประกอบด้วยพรมวิหารสีหาประมาณไม่ได้ไปยังโลกทั้งสิ้นทุกทิศทางเปรียบเหมือนสระน้ำใสยเย็นสนิทมีท่าเป็นที่ลงอาบอันน่ารื่นรมคนเดินทางมาแต่สีทิศถูกความร้อนเผาลำบากอยากน้ำกระหายน้ามาถึงสระนั้นก็จะนำความกระหายน้ำความกระวนกระวายเพราะความร้อนออกเสียได้ บุคคลออกบวชจากสกุลกษัตริย์พรามแพทย์สูตรมาถึงพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายอมได้ความสงบระงับภายในผู้เช่นนี้ตรัสว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณนะผู้ที่ออกบวชจากสกุลกษัตริย์พราม แพทย์สูตรทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นเพราะสมาธิปัญญาวิมุตต์ความหลุดพ้นเพราะปัญญาอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันตรัสว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะ